เรื่องนี้เป็นเรื่องเตือนใจในเรื่องพระธรรมวินัยที่ครูบากล้วยหรือว่าพระวีรศักดิรพัฒโทได้บันทึกเรื่องนี้ไว้จากประสบการณ์เที่ยววิเวกของสิทธิผู้พี่ก็คือหลวงปู่จันเรียนคุณวโรกับหลวงพ่อสมศรีอัตตสิริที่สิทธิผู้พี่ทั้งสองท่านพบเจอกับภูมิลึกลับหลวงพ่อสมศรีเล่าให้ฟังค่ะว่าหลังจากที่ออกพรรษาในปีพุทธศักราช2511พรรษาที่3ของท่าน องค์ท่านหลวงปู่ชอบฐานะสโมก็ได้บอกหลวงปู่จันเรียนว่าให้พาหลวงพ่อสมศรีออกไปฝึกหัดเที่ยววิเวกภาวนาหลวงปู่จันเรียนนะคะท่านเองก็ได้พาหลวงพ่อสมศรีแล้วก็สามเณรอีกสองรูปออกเที่ยววิเวกทางเขตอําเภอภูเรือแล้วก็อําเภอด่านซ้ายโดยหลวงพ่อสมศรีท่านบอกค่ะว่าตอนที่พักอยู่ที่บ้านโคกงามอําเภอด่านซ้ายหลวงปู่จันเรียนชวนท่านไปเยี่ยมญาติคนบ้านหนองบัวบานที่มาแต่งงาน แล้วก็มีสามีที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตำบลนาหาออําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะหลวงปู่จันเรียนพาท่านกับสามเณรอีกสองรูปเดินลัดภูเขาจากบ้านโคกงามมาถึงเขตตำบลนาหอเป็นเวลาพลบค่ำแล้วแล้วก็ได้ไปพักที่วัดร้างแห่งหนึ่งค่ะ พอตกตอนกลางคืนราวสองทุ่มหลวงพ่อสมศรีท่านก็ได้ยินเสียงผู้ชายเดินร้องไห้ผ่านมาทางที่พักของท่านทางที่หลวงปูจ่จันเรียนพักภาวนาอยู่นะคะเ <kell. S 1> สียงผู้ชายร้องไห้มาหยุดเงียบตรงที่พักของหลวงปู่จันเรียนตกดึกหลวงพ่อสมศรีท่านก็ได้ยินเสียงผู้ชายร้องไห้ดังขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็เงียบหายไปทางด้านหลังวัด <Herm it. S 2> ตอนเช้าหลวงปู่จันเรียนก็เลยเล่าให้หลวงพ่อสมศรีฟังค่ะว่าสี เมื่อคืนนี้เปรตพระองค์หนึ่งร้องไห้มาหาเราเปรตพระองค์นี้นุ่งอังสะเหมือนกันกับพระเนนเราทั่วไปแต่ว่าข้างล่างเนี่ยนุ่งผ้าสินผ้าถุงลายดอกแบบผู้หญิงหลวงปู่จันเรียนท่านพิจารณาถึงบุพกรรมที่มาของเปรตพระตนนี้ เปรตพระนุ่งสิ้นผ้าถุงตนนี้เมื่อสมัยบวชอยู่ก็เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดร้างแห่งนี้มาก่อนตอนสมัยบวชมักจะประพฤติผิดพระวินัยอาบัติปาจิตตีอยู่เป็นอาจินมีจิตลามกเจ้าชู้ชอบพูดจากเกี้ยวพาราศีหญิงสาวด้วยใจกำหนัด กิเลสก็เลยพาคิดเอาเหมาเอานะคะว่าเป็นอาบัติปาจิตตีปลงแล้วจะหายได้หารู้ไหมค่ะว่าอาบัติปาจิตตีเนี่ยเป็นอาบัติบาปทางจิตใจพอตายแล้วจิตก็ติดคาอยู่ในอาบัติที่ตัวเองคล่องอยู่กรรมซึ่งส่งผลให้มาเกิดเป็นเปรตพระนุ่งผ้าสิ้นผ้าถุงนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะอาบัติปาจิตตีแปลว่าบาปทางจิตค่ะภิกษุเมื่อต้องอาบัตินี้ก็จะทาให้จิตใจเศร้าหมอง อาบัตปาจิตตีมีทั้งหมด92ข้ออาบัตปาจิตตีเป็นอาบัตที่สลับปงได้แต่ว่าถ้ากลับมาประพฤติผิดซ้ำซากโดยเจตนาเพราะคิดว่าผิดแล้วก็ปรงได้องค์ท่านหลวงปู่ชอบก็เคยบอกไว้นะคะว่ามันเป็นบาปที่สลับไม่หลุดองค์ท่านบอกว่าพระเราเป็นเปรตหรือตกนรกเพราะอาบัตปาจิตตีนี้มากกว่าทุกอาบัตองค์ท่านถึงสอนลูกศิษย์ให้พึงสังวร เปรตพระนุ่งผ้าถุงตนนี้ก็มาแสดงตนร้องไห้แล้วก็ขอให้หลวงปู่จันเรียนช่วยเหลือสงเคราะห์หลวงปู่จันเรียนก็เลยบอกกับเปรตพระตนนี้ว่าเราเนี่ยไม่สามารถช่วยท่านได้กรรมผิดธรรมวินยัยสงเคราะห์กันไม่ได้ให้ยอมรับผลของกรรมของตัวเองซะเถอะเปรตพระนุ่งผ้าถุงพอรู้นะคะว่าหลวงปู่จันเรียนสงเคราะห์ทำให้ตัวเองพ้นกรรมไม่ได้ เปรตพระตนนี้ก็เลยเดินร้องไห้ออกไปทางหลังวัดอย่างที่หลวงพ่อที่ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยท่านได้ยินมานะคะหลวงพ่อสมศรีบอกว่าวัดแห่งนี้ร้างพระเนนมาได้ร่วมปีก่อนที่หลวงปู่จันเรียนจะพาท่านเข้ามาพักหลังจากเจ้าอาวาสรูปนี้มรณภาพไปแล้วพระเนนองค์อื่น ก็พักอยู่ที่วัดแห่งนี้ไม่ได้เนื่องจากว่าถูกผีเปรตเจ้าอาวาสตนนี้เนี่ยรบกวนค่ะแม้แต่ชาวบ้านก็ไม่กล้าเข้าวัดเพราะว่ากลัวผีจเจ้าอาวาสวัดนี้ก็เลยถูกทิ้งร้างให้ร้างตราบเท่าทุกวันนี้ค่ะ เรื่องราวของอาถรรพ์ลี้ลับยากต่อการพิสูจน์นั้นยังคงเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ไม่รู้จบสิน้นคนที่ไม่เคยประสบพบเจอมาก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีในโลกแต่สำหรับคนที่เคยเจอมากับตัวเองก็ขอเถียงหัวชนฝาเลยละค่ะว่าเรื่องราวลึกลับยากต่อการพิสูจน์นั้นมีอยู่จริงแล้วก็มีอยู่ทุกหนแห่งในโลก ขึ้นอยู่กับว่าใครที่จะสามารถสัมผัสได้หรือว่าใครที่จะได้เจอๆเท่านั้นนะคะเรื่องราวที่จะเล่าตอบเปนนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคุณต้อมนะคะบอกว่ า, าเมื่อตอนปิดภาคเรียนฤ ด, ดูร้อนนะคะก็เลยกลับไปที่บ้านเกิดที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตร ไปกับเพื่อนชื่อเก่งซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันคุณต้อมบอกว่าพอไปถึงบ้านหลังจากที่พูดจาทักทายกับญาติพี่น้องพอสมควรแล้วก็เลยไปหาเพื่อนฝูงจึงรู้ว่าที่วัดของหมู่บ้านดอนโพนี่มีงานปิดทองฝังลูกนิมิต คุณต้อมกับคุณเก่งนะคะก็เลยนัดหมายกันไปเที่ยวในยามค่ำคืนทั้งหมดค่ะรวมทั้งแฟนของเก่งด้วยก็ประมาณสี่คนบ้านดอนโพนี่อยู่ห่างจากบ้านประมาณสิบกิโลเมตรค่ะเก่งก็ขี่รถเครื่องแล้วก็ไปกับแฟนแล้วก็เพื่อนอีกสองคนก็แปรถคันเดียวกันส่วนคุณต้อมบอกว่าบินเดี่ยวไม่มีใครพ่วงท้ายเพราะหมายจะไปหาเอาข้างหน้า ทั้งหมดไปถึงงานวัดก็พากันไปปิดทองฝังลูกนิมิตค่ะแล้วก็ดูดนตรีกันจากนั้นก็ชวนกันนั่งดื่มเหล้าที่ร้านค้าซึ่งอยู่ภายในบริเวณงานส่วนเก่งแล้วก็แฟนก็ขอแยกวงไปดูหนังกลางแปลงแล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงถ้าใครอยากกลับก็กลับก่อนก็ได้เพราะว่ามีแผนร้ายอยู่ในใจคุณต้อมบอกว่ารู้ดีนะคะแค่มองตาก็รู้ใจและะ้วค่ะก็เลยไม่อยากขัดเพื่อนจนเวลาประมาณตีหนึ่งเศษดนตรีเลิกคุณต้อมบอกว่ารู้สึกง่วงนอนก็เลยชวนกับ ชวนเพื่อนกลับนะคะแต่ว่าปรากฏว่าพวกเพื่อนๆนี่นนก็ ย, ยังติดลมก็จีบสาวๆในร้านอยู่ก็เลยบอกกับเพื่อนบอกว่าคงต้องขอตัวกลับก่อนก็เลยเป็นอันว่าคืนนั้นคุณต้อมขับรถเครื่องกลับบ้านตามลําพังแต่ก็ไม่ได้นึกกลัวอะไรเพราะว่าคุ้นเคยกับพื้นที่นั้นเป็นอย่างดีก็ขี่รถเครื่องกลับมาออกจากงานวัดอย่างไม่รีบร้อนท่ามกลางความสลัวของแสงจันทร์นยามดึก พอพ้นหมู่บ้านดอนโพได้ไม่นานแสงไฟหน้ารถก็ไปสาต์กระทบกับร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะลักษณะของเธอคือสูงแล้วก็ผอมบางมากๆ ม, มากพอที่จะเห็นได้ชัดว่าเธอสวมกางเกงสีขาวเสื้อแขนยาวสีเขียวยืนโบกมือเรียกอยู่นะคะในใจก็หวั่นๆอยู่นิดนึงอนอะกลัวว่าจะเป็นผู้ร้ายหรือว่าเป็นนางนกต่อแต่ว่าเขาก็เลยตัดสินใจอ่ะเผื่อว่ามีคนจะขอกลับบ้านด้วย เผื่อว่าเขาจะขอความช่วยเหลือหรืออะไรประมาณนี้ก็เลยชะลอรถแล้วก็จอดลงนะคะแล้วก็สอบถามดูก็บอกว่าจะขอติดรถเนี่ยไปลงตรงโค้งข้างหน้าหน่อยเพราะว่ า, ารถเสียก็เลยจอดทิ้งไว้ในงานวัดเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับไปเอาก็เธอบอกเหตุผลแล้วก็อธิบายให้ฟังเสร็จสับ คุณต้อมก็เลยพยักหน้าแล้วก็เชิญให้ขึ้นมานั่งซ้อนท้ายในใจก็คิดว่าบางทีนี่อาจจะเป็นไก่วัดออกมาอ่อยเหยื่อก็เป็นได้ทีนี้เธอก็ขึ้นมานั่งซ้อนท้ายรถพร้อมกับโอบเอวแบบหน้าตาเฉยเลยจนคุณต้อมบอกรู้สึกว่าความเย็นเฉียบของลําแขนแล้วก็มือของเธอเนี่ยโอ้โหมันชัดเจนมากแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมาได้แต่รอดูทีท่าของเธอต่อไปว่าจะมาไม้ไหนกันแน่ ตอนนั้นคุณต้อมบอกว่าไม่ได้นึกกลัวอะไรเพราะว่าพ่อของคุณต้อมเองก็เป็นคนกว้างขวางคนนึงในตําบลซึ่งใครๆก็ให้ความยําเกรงกันทั้งนั้นสักพักใหญ่ๆก็ขับรถมาจนใกล้จะถึงทางโค้งหักศอกก่อนจะเข้าหมู่บ้านผู้หญิงคนนี้บอกให้จอดตรงใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งก็เลยทําตามคําขอโดยไม่ได้แสดงกิริยามารยาทซึ่งสอเป็นในทางเจ้าชู้เลยแม้ว่าในจิตใจเองก็อยากจะจีบเธอเหมือนกันอยากจะถามไทยเหมือนกัน พอจอดรถเธอก็ลงจากรถพร้อมกับกล่าวขอบคุณช่วงระหว่างนี้นี่เองที่สังเกตเห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนี้ดูขาวซีจนผิดปกติแต่เธอก็ยังจัดได้ว่าหน้าตาน่ารัก แล้วก็ยิ้มให้กับคุณต้อมอย่างเป็นมิตรก่อนจะหันหลังแล้วก็เดินไปซึ่งการจากไปของเธอนี่เองทําให้คุณต้อมบอกว่าแทบไม่เชื่อสายตาของตัวเองคือมันรู้สึกขนลุกสู้ตั้งแต่ปลายเท้าเป็นต้นไปจนถึงสันหลังจนถึงเส้นผมเลยทีเดียวนะคะในตาเบิกโพรงเมื่อเห็นชัดถนัดตาว่าเธอคนนี้เนี่ยเดินหายเข้าไปบนต้นไม้ใหญ่ต่อหน้าของคุณต้อม คงไม่ต้องบอกแล้วล่ะนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปเพราะว่าหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วินาทีเขาก็กระชากรถออกจากตรงนี้แล้วก็รีบบึ่งกลับบ้านด้วยความตื่นตระหนกสุดชีวิต เขานําเรื่องเล่านี้ไปเล่าให้คนที่บ้านฟังพ่อก็เลยบอกว่าเมื่อไม่กี่วันก็เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ถูกชนด้วยรถกระบะที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็ผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์คนนั้นเนี่ยกระเด็นไปอัดกับต้นไม้ใหญ่ตายคาที่ก็น่าจะเป็นไปได้ว่าผู้หญิงคนนี้ที่เห็นเมื่อคืนเนี่ยน่าจะเป็นดวงวิญญาณของเธอซึ่งยังคงติดอยู่กับต้นไม้ใหญ่นั้นก็ได้ พอรู้ดังนั้นนะคะรุ่งเช้าพ่อของคุณต้อมเองก็เลยสั่งให้ลูกน้องไปหาซื้อสารเล็กๆเอามาตั้งไว้ ใกล้ๆกับต้นไม้ใหญ่ต้นนี้พร้อมทั้งเชิญผู้รู้มาทําพิธีเรียกวิญญาณของหญิงสาวพร้อมกับบอกกล่าวให้รับรู้ว่าได้ตั้งศาลให้อยู่แล้วแล้วกนับตั้งแต่นั้นมาก็มีผู้คนแถวนั้นนะคะพบเห็นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆหลายครั้งบางคนเนี่ยไปขอหวยก็ถูกหวยรอยเบอร์จนกระทั่งต่อมาก็มีผู้คนให้ความเคารพต่อศาลเล็กๆหลังนั้นเป็นจํานวนมากและนี่ก็คือเรื่องราวของคุณต้อมนะคะคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะที่ส่งมาให้เราได้เล่าให้ฟังนะคะบอกว่า เป็นเรื่องจริงที่ประสบพบเจอมาด้วยตัวเองทุกวันนี้นะคะสารเล็กๆหลังนั้นที่อยู่หมู่บ้านดอนโพก็ยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะ อีกเรื่องราวหนึ่งที่เราจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่วัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งซึ่งอยู่ในตัวเมืองใกล้กับตลาดมีบริเวณกว้างขวางครึ้มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ยืนต้นท้ายวัดก็จะมีโกดังนะคะที่ทําด้วยสังกะสีเป็นโรงทึบสําหรับเก็บศพคนตายที่บรรดาชาวบ้านนํามาฝากไว้ติดกับโกดังก็จะเป็นโรงเชิงตะกอนสูงชรูดเลยล่ะค่ะด้านตรงข้ามก็จะเป็นศาลาเล็กๆสําหรับพระ ที่จะนั่งสวดธรรมมาติกาบางสกุลตอนเผาศพอีกหลังหนึ่งเพราะว่าเป็นวัดที่อยู่ในเมืองศพคนตายไม่ว่าจะมีญาติหรือไม่มีญาติมักจะถูกนำมาไว้ที่วัดแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นคนจมน้ำตายถูกแทงตายตายโหงหรือตายดีนะคะวัดบางขวางนี่แหละค่ะคือที่เก็บ รอพวกญาติพี่น้องมารับไปจัดการตามประเพณีถ้าไม่มีใครมารับทางวัดก็จะจัดการเผาแล้วก็เก็บกระดูกห่อผ้าแล้วก็เขียนชื่อคนตายเก็บไว้ใต้เจดีย์ใหญ่ซึ่งอยู่ทางด้านหลังของโบสถ์มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะคุณบรนผู้เล่าเรื่องนี้นะคะก็ได้ไปบวชอยู่ที่วัดแห่งนี้ได้ไม่นานท่านเจ้าอาวาตก็ได้รับก็ได้มอบหมายหน้าที่ให้กับคุณบรนเนี่ยเป็นผู้เก็บกระดูกของศพไม่มีญาติด้วยการเอาผ้าสีขาวไปห่อกระดูกแล้วก็เขียนชื่อคนตาย แล้วก็เอาไปเก็บไว้ใต้เจดีก็เรียกว่าเป็นธรรมเนียมของวัดบางขวางทุก5ปีนะคะทางวัดก็จะทําการล้างป่าช้าแล้วก็เผาศพไม่มีญาติกันครั้งหนึ่งเพื่อรอระบายศพที่เก็บไว้แน่นโกดังปีนั้นคุณบรนบอกว่าไปจําวัดอยู่ทางวัดนะคะก็ทําการล้างป่าช้าพอดีด้วยการเผาศพทีละศพแล้วก็นํากระดูกเก็บไว้เผื่อจะมีญาติขอรับไป นายวิงกรทองนะคะชาวบ้านที่อยู่ใกล้กันกับวัดเมื่อรู้ว่าทางวัดเนี่ยจะจัดการเผาศพไม่มีญาติ ก็มาหาคุณบันพร้อมกับขอร้องว่าเมื่อทางวัดเผาศพนายหยัดกองทองลูกชายของแกแล้วขอให้ช่วยเก็บกระดูกไว้ที่วัดด้วยเพราะว่าจนปัญญาที่เอากระดูกเก็บไว้เพราะว่าถ้าหากว่านำไปไว้ที่บ้านก็ต้องทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้หากพอมีเงินมีทองก็จะมาขอเอากระดูกกลับไปซึ่งคุณบันก็บอกว่าอารับปากนะคะด้วยความเห็นใจแล้วก็จัดการเก็บให้ตามประสงค์ ในปีต่อมาค่ะนายวิ่งก็ไปหาคุณบันพร้อมกับลิ้นจีติดมือไปถวายพระทั้งวัดชลอมใหญ่พร้อมกับบอกว่าตอนนี้พอมีเงินมีทองกับเขาบ้างแล้วเพราะว่าลิ้นจีที่ปลูกไว้เมื่อหลายปีให้ผลหลายต้นเก็บขายได้ก็เป็นเงินหลายตังก็เลยอยากจะได้กระดูกของนายหยาดกรทองซึ่งเป็นลูกชายนะคะเอาไปทำบุญกรวดน้ำแล้วก็แผ่กุศลให้ คุณบันบอกว่าไม่ขัดข้องพอฉันเพนเสร็จแล้วก็เลยเรียกเด็กวัดไปช่วยกันค้นใต้ฐานเจดีที่เก็บกระดูกก็ได้กระดูกนายหยัดกองทองก็เลยมอบให้ในวิ่งไปล่วงไปถึง3วันในวิ่งก็วิ่งหน้าตาเลือกลากมาหาแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยถูกผีคนแก่หลอกพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนตอนสองยามเศษคนในบ้านนอนหลับกันหมดแล้ว ตวนายวิงตื่นขึ้นมาจะลงไปตรวจในสวนลิ้นจีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลิ้นจีแก่จัดก็จะมีขโมยมือดีไปขโมยลิ้นจี่ของแกแทบทุกคืนพอเปิดมุ้งออกไปจากห้องเนี่ยก็ต้องผ่านระเบียงตรงหิ่งที่วางกระดูกของลูกชายก็ต้องรู้สึกว่าตัวเย็นวูบเลยนะคะตอนนั้นใจหายเมื่อรู้สึกว่ามีร่างสูงใหญ่เป็นเงาดําทะมึนค่อยๆปรากฏตัวขึ้นตรงหิ่งที่วางกระดูกแล้วก็ค่อยๆเห็นเด่นชัดขึ้นมองเห็นเป็นลักษณะว่าเป็นร่างของผู้ชายแก่ นในวิงนี่ขาสั่นพับๆเลยนะคะหงายหลังผึ่งลงกลางระเบียงเพราะรู้ว่าที่แกเห็นอยู่ตรงหน้ามันไม่ใช่คนค่ะมันเป็นผีซึ่งตั้งแต่เกิดมาจนอายุ50ใกล้จะ60แล้วแกเพิ่งจะเจอเข้าอย่างจังเป็นครั้งแรกอ้าปากจะร้องให้คนช่วยก็อ้าไม่ออกแต่ด้วยความกลัวในวิงก็เลยคลานสีขาเนี่ยนะคะเข้าห้องมุดเข้ามุง้งคุมโปง่งสวดนโมพึมพำจนกระทั่งหลับไป ตอนหลับนายวิงก็ฝันไปอีกค่ะว่ามีชายแก่รูปร่างใหญ่ผิวดํามาหาบอกว่าไม่ใช่ลูกของนายวิงทั้งยังอบอกว่าแก่กว่านายวิงเนี่ยตั้ง10กว่าปีให้เอากระดูกไปเก็บที่ซะเพราะไม่ใช่กระดูกของนายหยัดแต่เป็นกระดูกของแกเองถ้าขืนชักช้าแกจะไปเอง ด้วยความมั่นใจค่ะ ว, ว่ากระดูกที่ได้มาเนี่ยไม่ใช่ของลูกชายหรือก็คือนายหยัดกรทองนะคะเพราะว่าชื่อที่เขียนไว้เนี่ยปิดไว้ก็ปรากฏอยู่เด่นชัดว่านายหยัดกงทองเพราะฉะนั้นคุณบันซึ่งบวชเป็นพระในตอนนั้นนะคะก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็แค่ความฝันชื่อก็มีเขียนไว้เห็นๆกันอยู่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คงเป็นแค่ความฝันคุณลุงคิดมากไปเองหรือเปล่า นวิ่งก็เชื่อเป็นอย่างดีนะฮะพร้อมกับลากลับบ้านไปพอตกดึกคืนเดียวกันนั่นเองค่ะซึ่งเป็นคืนวันพระแรม15บ้าค่ำพอดีเลยทางวัดก็มีพิธีทางศาสนากว่าจะเสร็จก็เกือบสองยามต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับไปจำวัดพอเคลิ้มๆก็ได้ยินเสียงอึ ก, กทึกครึกโครมร้องช่วยด้วยช่วยด้วยโผลมาทางหน้ากุฏิก็เห็นคนวิ่งกันขวักไข่ในบันนะคะซึ่งเป็นพระตอนนั้นก็วิ่งลงจากกุฏิ ไปทางหน้าโบสตามกลุ่มพระเนนที่วิ่งกันไปก่อนพอไปถึงก็รู้ว่ามีแท็กซี่บาดเจ็บถูกตีที่หน้าผากวิ่งเข้ามาในวัดร้องให้คนช่วยพระครูเนยก็ได้นำเข้าไปรักษาในกุฏิแล้วก็ด้วยความอยากรู้อยากเห็น ก็เลยไปสอบถามได้ความค่ะว่าแท็กซี่คนนั้นชื่อบุญยังเดือนฉายไม่ได้ถูกใครทำร้ายแต่ว่าวิ่งไปชนกำแพงโบดหัวแตกเองแล้วก็เล่าเรื่องราวอันเป็นต้นเหตุบอกว่าขณะที่ขับรถเลยสะพานพระรามหกมาได้นิดนึงตรงนั้นก็เป็นที่มืดทึบแล้วก็เปลี่ยวเพราะว่าเลยสองยามไปแล้วมีผู้ชายแก่ใสก่กางเกงแพรสีดาเสื้อสีดายืนอยู่ข้างถนนโบกมือให้หยุดรับพอขึ้นรถเสร็จนายบุญยงถามว่าจะไปไหนชายแก่ ไม่ตอบนะคะแต่ว่าชี้มือบอกว่าให้ขับตรงไปเรื่อยๆเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแกก็ใช้มือชี้จนกระทั่งเกือบมาถึงหอนาฬิกาของเมืองนนท์ค่ะแกชี้มือให้เลี้ยวเข้าวัดบางขวางนายบุญยังก็ขับรถไปเรื่อยๆจนถึงลานโบสถ์ซึ่งไม่มีทางไปต่อก็เลยหยุดรถนะคะ ชายแก่คนนั้นก็เปิดประตูก้าวลงจากรถโดยไม่พูดไม่จาค่าโดยสารก็ไม่จ่ายด้วยนายบุญยังก็เลยเดินตามไปเพราะคิดว่าแกคงจะไปเอาเงินที่บ้านให้เดินตามไปเรื่อยๆค่ะจนถึงเจดีใหญ่นายบุญยังก็เหมือนต้องนจังงังก้าวขาไม่ออกเพราะว่าชายแก่ที่เดินตามมานั้นเนี่ยอยู่ๆหายเข้าไปในเจดีองค์ใหญ่หลังโบทอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ ผีแน่นอนค่ะไม่ใช่คนดังนั้นแกคิดได้แบบนี้แล้วแกก็กลัวค่ะนายบุญยังโชเฟอร์แท็กซี่นะคะก็หันหลังกลับค่ะโกยแนบอย่างไม่ดูตาม้าตาเรือก็เลยวิ่งไปชนกำแพงโบสเข้าเต็มเ็มเลยนะคะจนล้มางท้องนึกในใจว่าคราวนี้เนี่ยผีมันเล่นงานแน่ๆ ปากก็เลยร้องตะโกนให้คนช่วยเหลือเสียงลั่นพยุงกายจะยืนก็ล้มลงเพราะว่าขาได้เกิดพลิกแปลงด้วยความกลัวนายบุญยังจึงเปลี่ยนเป็นคลานเอาเนะคะเพื่อที่จะพาร่างของตัวเองเนี่ยเข้าไปในโบสระหว่างที่กำลังคลานด้วยความทุลักทุเลค่ะก็รู้สึกว่ามีใครเอามือมาดึงขาแกไว้คราวนี้เนี่ยเล่นเอาแกแทบจะบ้าเลยเสียงมีอยู่เท่าไหร่แกบอกว่าแกแหกปากตะโกนลั่นวัดไปหมดพระเนนก็เลยตกใจตื่นกันหมดวัดด้วยเหตุนี้ เหตุการณ์คืนนั้นผ่านไปอย่างสงบนะคะนายบุญยังก็นอนพักอยู่บนกุฏิของพระจนกระทั่งเช้าก็เลยนมัสการกราบลาด้วยสีหน้าขาวซีดแววตาหวาดผวาอย่างสุดขีดจนตอนสิบโมงเช้าค่ะขณะที่เด็กวัดเตรียมอาหารเพนนายวิงก็ได้นำอาหารมาถวายแล้วก็บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยแกฝันถึงผีตาแก่ในชุดดาที่บอกว่าเป็นเจ้าของกระดูกในฝันนั้นชายแก่พูดบอกว่ากูไปละกูอยู่ไปกูก็อดสู้อยู่วัดไม่ได้ พระเจ้ายังกรวดน้ำไปให้กูทุกวันแต่ก็อยู่บ้านมึงอ่ะมึงทำบุญตักบาตรถวายพระแล้วมึงก็กรวดน้ำแผ่กุศลให้แต่ลูกของมึงนี่คือคำบอกเล่าของนายวิงนะคะก็เลยทำให้พระบันในตอนนั้นนึกถึงห่อกระดูกที่เก็บไว้ในใจดีจำนวนหลายต่อหลายร้อยห่อค่ะ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายบุญยังคนขับแท็กซี่เมื่อคืนนี้สดๆสร้อนๆความผิดพลาดในเรื่องของการหยิบกระดูกผิดอาจจะเกิดขึ้นก็ได้พอฉันเพลนเสร็จแล้ว พระบันกับเด็กวัดแล้วก็นายวิ่งก็เลยเข้าไปตรวจดูกระดูกในเจดีที่เก็บอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วนะคะพระบันก็ต้องขนลุกค่ะเมื่อพบห่อกระดูกห่อหนึ่งที่เขียนไว้ว่านายหยัดก้อนทองก็เลยไปตรวจบัญชีรายชื่อกระดูกที่ห่อเก็บไว้ทั้งหมดก็ปรากฏนะคะว่ามีอีกรายชื่อหนึ่งที่ชื่อนายหยัดก้อนทองค่ะซึ่งชื่อใกล้เคียงกันกันกบนายหยัดก้อนทองเป็นอย่างมาก เมื่อแน่ใจแบบนี้ว่าตัวเองจะหยิบกระดูกให้ในายวิงผิดก็เลยบอกให้ในายวิงเนี่ยเอากระดูกของจริงของนายหยัดก้อนทองไปแล้วก็เอากระดูกของนายหยัดก้อนทองมาเก็บคืนไว้ที่วัดอย่างเดิม นายวิ่งมีเวลาว่างนะคะก็ได้มาเยี่ยมพระบันอีกครั้งแล้วก็บอกว่าตั้งแต่เอากระดูกของนายหยัดก้อนทองมาคืนแล้วเอากระดูกของลูกชายก็คือนายหยัดก้อนทองไปเก็บไว้ที่บ้านก็ไม่เคยเห็นแต่แก่ที่แกเคยฝันอีกเลยนี่ก็เรียกว่าเป็นความผิดพลาดของการส่งมอบกันนะคะไม่นึกว่าจะเกิดเหตุร้ายดังกล่าวขึ้นแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบ40ปีมาแล้วนั่นเองค่ะ